ถ้าหากเรายังไม่รู้สิ่งที่สมมุติน่นเกิดืึ่ว่าเราตายด้านเราตายด้านมันด้านการศึกษาธรรมะนี้ดูพราดกว่ามีมากที่สุดแต่ว่าศึกษาไปเท่าใดก็ยิ่งสงสัยขึ้นมาเท่านั้นไไเป็นความสงสัยเนี่ยเป็นความทุกข์หรืคมสุขถ้าหากคนที่ไม่สลาดกับคนงโง่เป็นคำเดียวกัน คนที่ไม่สลาดก็เลยไม่รู้อันนั้นแหละทุกคนโง่ก็เช่นเดียวกันคนโง่ก็ไม่ไม่รู้นั่นแหละเป็นวัทุกอยนั้นนั่นคนสลดัดนะครับคนมีปัญญาบแบบคนสลาดกับคนรู้คนมีปัญญากับคนรู้อย่างนั้นไปเปิดอบรมที่ไหนที่ไหนก็มักมีคนถามก <ST AT> ็มีคนถามบ่อยน แต่ละวันละวันนี่ไม่เว้นวันเลยถ้าไปในสำนักปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีคนถามอะไรคือรูปอะไรคือน้ำอะไรรูปธรรมอะไรนามธรรมถามจนตายถามจนตายถามคนนี้สงสัยแล้วคนนั้นตอบปัญหาให้ไปถามคนนั้นอีกแล้ว <ừ. S 1> คนนั้นตอบปัญหาให้ถามจนตายไม่รู้จะรู้ได้ทําไม หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังแล้วธรรมะจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จะรู้เพราะการคาดคิดไม่ได้จะรู้เพราะเรียนหนังสือไม่ได้จะรู้เพราะว่าเราไปอ่านหนังสือไปถามคนนั้นคนนี้จุดตำมไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดที่หลวงพ่อพูดนี้ทำไมหลวงพ่อพูดแต่ควมเก่าอย่างนี้ควมใหม่ไม่มีหรือหลวงพ่ออาจจะมีคนสงสัยขึ้นมาอย่าง น, นั้นก็ได้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 มันลู้เข้าเปนไม่ใช่ลู้ออกมันลู้เข้าคมลู้จึงได้มีหกระดับด้วยกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าผมรู้รู้จักรู้จารู้จักมาจากคนรู้จาเพ้าหูได้ฟังรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้าแบบนี้รู้แล้วเข้าไปในควมลู่อีกแล้วอันนั่นเขาเรียกว่าวิปัตนุลู้ออกแ่เนี้รู้ออกจากผวมลูของวิปตนุ ดังนั้นที่นาํามันแล้วให้ความคอบคุมจริงใจเพราะว่าเวลาเราน้อยที่หลวงพ่อมาพูดข่าวนี้เนี่ยคือว่านอกเนื้อจากทางของแพทย์แต่แล้วแพทย์เขารักษาตัวหลวงพ่อที่เขาไม่ให้หลวงพ่อปลูคือให้เขาถนอมตัวเพราะว่าโรคหลวงพ่อจะกำเริบเลเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของหมอของแพทย์หลวงพ่อหน้าสงสารหน้าโทเลส ทำไมคนไม่เป็นอย่างนั้นพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทําไมไม่เข้าใจออกคิดอย่างนี้นึนกว่าเอ๊ะมนุษย์ธรรมดาคนนี่เป็นอย่างนี้เนอนพระพรุทธเจ้าท่านก็สอนะวัลสีเราเรานึ่งมันอยู่ใต้ดินยังเป็นตุ่มอยู่ใต้ดินเรานึ่งขึ้นมาเพิ่งกลางน้ําเรานึ่งขึ้นมาพ้นน้ำดาวที่สองหอยลันะระดับคนมีปัญญานะ่หอยฝัง และกับปฏิบาตาัติาคนบางคนยังไม่ได้มีปัญญาพออาศัยการฟังหลายเพื่อหลายครั้งหลายหนแล้กวก็จำได้โอ้ท่านพูดอย่างนั้นนาไปปฏิบัตาิที่อยู่ในน้ำนั้นยังเป็นอาหารของตับบางทีที่ตุ่มอยู่ในน้ำาะยังเป็นอาหารของตบบางที่อาจจะออกมาไม่ได้คนเราก็มีหลายระดับเช่น้ ที่หลวงพ่อมาพูดเนี่ยคือพูดทุกผมจริงใจหลวงพ่อคิดว่าแต่ละครั้งละหนเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ยืมเอาคําพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเกิดในประเทศอินเดียหลวงพ่ออ่านหนังสือไม่เต็มอ่านหนังสือไทไม่ได้อ่านหนังสือไม่เต็มเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนภาษาอินเดีย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 มาเค่นี้อายุไม่เกินหกสิบปีเจ็สิบปีไม่เกินอยู่ในระดับนั้นแล้วพ่อของเธอสอนคำแรกที่สุดสอนอย่างไรอยู่ที่ไหนท่านนั่งหรือนอนกำลังทำอะไรบ้างท่านสอนจำได้ไหมรับรองไม่มีคนใดจำได้หลวงพ่อเคยถามมาได้ยังน้อยเป็นพันพันคนไม่มีใครจำได้ทั้งหมด อายุเพียง20ปี25 16ปีนห่จำไม่ได้จำไม่ได้แม่ทอนเธอคำแรกสอนอยู่ที่ไหนจำได้ไหมจำไม่ได้พูดเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเธอเป็นคนโง่หรือเป็นคนสลาบถ้าพูดอย่างนี้ก็ถานตัวเองบ้างพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไม่กี่วันมีพิสูตองค์หนึ่งจ่วงจากต่อพระธรรมวินยัยได้ทำสังฆานายเคลื่อนครั้งแรก คนมีปัญญารู้ทันทีคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังไม่รู้อันนี้ั น, นสังญญาขารนาครั้งที่สองก็เช่นเดียวกันจนสุดท้ายสังญญาขารนาครั้งที่ห้าพระพรเจ้าพระริมิพานตายหรือสวรรคตจะว่าอย่างก็ได้ได้สี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วจำได้ไหมเอ้เรามาคิดดูแล้วอายุเราเคียงสามสิบปีนี่พ่อแม่เราสอนทำไมจำไม่ได้ อันนั้นพระพทธตายไปแล้วตั้งหลายร้อยปีทำไมคนที่สื่อพอดมานจะจำได้ทุกคำได้ไม่ได้คนเข้าใจอย่างนี้มีน้อยคนที่ไม่เข้าใจดีมากเรื่องนี้อย่างนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติที่นี่อาจจะมาก็พูดให้ความจริงใจเรามาศึกษามาปฏิบัติตัวเองอย่าเป็นคนลืมตัว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 ไปนั่งสร้างจังหวะเดินจมกลมบางคนพูดคุยกันคำปากคำพูดคุยกันมือก็ทาประโยชน์ทจนตายตมีประโยชน์น้อยที่สุดเดินจมกมจนเท่าแตกก็เดินจนตายนั่นแหละเพราะว่าคำพูดจิตใจมันไปจดจ่ออยู่ในคำพูดคุยกันอันนั้นเสีอผิดทางแล้วไม่สมหวนตัวเองแล้วให้เขา้าใจอย่างนี้ถึงว่าพูดนี่ไม่ใช่สอน ูให้ฟังตัวจำมายเองไปปฏิบัติธรรมะขั้นแรกที่สุดมีพระจำนวนยี่สิบสามลูกแลดีโยมห้าคนเป็นปฏิบัติในสำนักนั้นมีพระองค์หนึ่งเป็นพระครูอายุภรรษาโดปมีสามสิบกว่าพรรษาตีตะปูทั้งวันเดี๋ยวก็ไปคุยคนนั้นเดี๋ยวไปคุยคนนี้เที่ยวสอนคน ตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจวัดสอนเลือกอะไรไม่รู้รแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เป็นรุ่นพีอัตมารู้จักวิธีการทำมาหากินเพราะเพื่อนคนนี้ลักลักไม่ใช่ลักอย่างที่ลักคนหนุ่มคนตาลักอัตมาแต่มันก็ชอบเขาเพราะเขาแ น, นะนาให้รู้จักวิธีทำมาหากินการซื้อการขาย บุญคุณเขามีมากเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยกันอีกแตแล้วเพราะว่าชอบกันเดี๋ยวก็มาสวนคุยสองวันสามโอยแย่อย่างนี้อาตมาคนนี้ในสมัยนั้นมันปลูกกุฏิอยู่ในทุ่งหนาไม่มีลมไม้เลยเขาต้องผ้าปกหัวกัาไปเดินอยู่คนนั่นก็นมามาก็มานั่งอยู่ที่นั่นบันไดคอยให้อาตมาไปหาจตมาไม่เข้าไปไม่เกินสามสี่วันก็หายหน้าไปเลย ว่าอาจามานี่ไม่พอใจแต่ไม่ได้คุยกันแต่คิดเดาเอาเองพอดีออกมาแล้วท่านก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะว่าท่านยังมีความซ้ำใจว่าไม่พูดไม่คุยอันนั้นเสื้อหูปลาฐานยึดมั่นถือมั่นถ้าไปมัวพูดมัวคุยอยกทําจนตายไ ม, ม่อย่างนั้นจำนวนยี่สิบสามลูกแล้วก็ห้าคนรู้ไปคนละเรื่องบางคนรู้ไปใต้น้ำคเป็นอุ้มรุ่ม ใต้น้ำนี่เป็นอุ้มโงมก้มๆหลังคนบางคนคนรู้ไปทางมัดหินมิตรายพป็นในทองมหาสมุทรคนรู้ไปอย่างไรบางคนคนรู้ไปเมืองสวรรค์พุ่นไปถึงอินถึงผมพุ่นบางคนคนรู้ไปถึงนรกพุ่นความรู้อันนั้นเห็นไหมพิสูจน์ได้ไหมถ้าไม่เห็นไม่พิสูจน์ได้อันนั้นคือว่าคนหลงหลงแล้ว ไม่เห็นตัวเองแล้วอาตมาไม่เป็นอย่างนั้นอาตมารู้ตัวเองกำลังพูดกำลังคุยกำลังคิดอาตมารู้อย่างนี้รู้อย่างในกาไม่เหมือนกับคนอื่นุคมรู้ไม่กม้วงหัวคมรูม้น้อยแต่แก้ปัญหาตัวเองได้มีหลายคนถามวิธีแก้ปัญหาคนนะครับอยากฟังมีคนมาถามคอยแก้ปัญหาคนเป็นยังไงเธอรู้ไห เธอไม่รู้ถามยืนตายก็ไม่รู้เพราะเธอไปคอยถามเอาความรู้ของคนนั้นคนนี้มาพูดเท่านั้นเธอไม่สนใจหาตัวเองอาตมาเคยแก้ปัญหาอย่างนี้และบางทีปฏิบัติธรรมะมีการสิ้นจบไหมจบถ้าไม่จบจะมาสอนทำไมมันต้องมีการสิ้นจบเราเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าท่านว่าจิตลุกพ้นแล้วย่อมมีจิตมัรลุพ้นแล้วย่อมมี ถ้าหากว่าเราไม่รู้จิตหลุดพ้นแล้วโยมน่จะไปปฏิบัติธรรมไหมเพื่ออะไรเราต้องคิดอย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมดังนั้นวันนี้ที่มานี่ไม่ใช่เป็นคนจังหวัดเลยทั้งหมดเราต้องคิดให้บันดีและแม่ใช่เป็นคนจังหวัดอุดรขอนแก่นทั้งหมดต้องคิดให้บันดีและไม่ใช่เป็นคนภาคอีสานทั้งหมดคนภาคใต้ก่อนี้ มาจากสงขลาดาใหญ่ก็นี่มาจากภาคเหนือเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีมาจากอุดรขอนแก่นก็มีมาจากกรุงเทพก็มีคนจังหวัดเลยก็มีเราต้องคํานึงคํานวณเรามีผมรูแค่ไหนสอนคนได้อย่างไรเราต้องพูดอย่างนี้ที่นํามาพูดให้ฟังไม่ใช่มาโอ้หลวงพ่อนี่จําหนิแล้วไม่ใช่จําหนิเตือนเป็นการเตือนไม่ใช่สอนเตือน พูดให้ฟังหลวงพ่อไม่คุยใครปฏิบัติรู้รู้จริงๆหลวงพ่อเคยอุทานพูดกับเพื่อนๆและก็ยังมีคนเอาไปลงเป็นบทขวมเขียนเป็นหลายละอักษรเอาไว้วันนี้ก็จะพูดอีกเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะแบบจเจริญสติปัฏฐานสี่การเคลื่อนไหวให้ถูกต้องโดยติดต่อกันเหมือนลูกโต อย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดบุคคลนั้นความทุกข์จำนวนร้อยเปอร์เซ็นจะลดน้อยลงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นตบางคนอาจจะหมดก็ได้บางคนอาจจะมีเพียงสิบเปอร์เซ็นตก็ได้นะฮะ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 พอคิดแล้วมนุษย์ตาดำดําด้วยกันทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมไปคิดอย่างนั้นเมื่อไหรจะศึกษาตัวเองคิดอย่างนั้นถึงล้มตายลงกระจําเป็นพราะนาอนนาจใหญ่มากเพราะว่าเห็นเพื่อนตาดำดําด้วยกันพูดแล้วก็อยากย้าอีกพักหนึ่ง <c oughs> การมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่ใช่อวดดีเอากลมจริงมาพูดให้ฟัง <c oughs> คนมีดีแล้วจึงออกมาพูดได้คนไม่มีต้องประอาศัยคนนั้นพูดคนนี้พูดแต่จะมาพูดนี้เอาคำพูดที่ปราอฏเกิดขึ้นหรือมีเห็นเข้าใจสัมผัสได้อย่างนี้กล้ารับรองได้ว่าคนใดปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นนั้นแก้ทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยไปตรงเอากับคำพูดของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย โอพระพรทธสอนให้คนรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกรู้จักสมุฐานของทุกและกาวิธีดับทุกให้เส้นลงท่านสอนสี่ข้อเรียกว่าตัดจยักสีญญส่อย่างนี้อย่างนั้นพวกเรามาปฏิบัติที่นี่เวลาน้อยเจ็ดวันบางคนก็เพิ่งมาบางคนก็มานานแล้วบางคนก็เรียนมาอย่างน้อยก็ต้อง่อสี่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 ที่นำมาฟื้นฟูให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าคือคนถ้าพูดกันเห็นน่ะให้เห็นตาดำดำเหมือนกันพวกเรานี่แหละพวกท่านทั้งหลายศึกษามามากแล้วว่าธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนแล้วเราจึะวอกของเก่า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 เป็นการทำลายคนอื่นอิกสด้วยทำลายตัวเองยังไม่พอไปทำลายบุคคลที่ใก้เคียงเดือดร้อนคนอื่นเขาไม่ต้องการพูดไม่ต้องการคุยทำไมเราไปพูดไปคุยทั้งวัน เ, เพื่อนอาตมาเองเป็นอย่างนั้นอาตมาเห็นอย่างนี้โอ้คนนี้เป็นเช่นนี้เพราะเป็นสมบัติถ้าพูดจริงๆเขาบาสมบัติของคนผานสมบัติของคนโง่เท่านั้น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 ปฏิบัติสามเดือนเอาให้เลยสามพันบาทการอาหารเรื่องกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอาจจะมาเลี้ยงได้ถ้าอามาเงินเดือนสองพันบาทให้ไปหกพันบาทถ้าอามาเงินเดือนหมื่นบาทให้สามพันบาทรับรองได้เกียนแค่นี้ปีหนึ่งรับรองไม่ได้พ่อได้รับเงินจํานวนนี้มาจากคุณสุพลห้าหมื่นบาทคุณสุพลให้เงินมาห้าหมื่นบาทพ่อจะมามีความสามารถอย่างนี้ แล้วก็มีโยมอะไรโยม เ, เจี้เกียงแหละที่มาที่นี่แหละพูดแต่เมื่ออยู่กรุงเทพให้มามื่นบาทก็มาสร้างเฉพาะเพลาอุติบางเล็กน้อยแล้วก็คนอื่นให้มาคนรัตต่างสองสตต่างเก็จไว้แล้วก็จะมาซื้ออาหารเลี้ยงพระภิกษุจมเรนรอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครแหละจะขัดข้องกันรวมกันอ่ามีตาตางหนึ่งก็รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม่นาำเข้าส้วมให้ผ้าจับผ้ายคิดให้ดีอาหารการกินพระเนรที่นี่แหละจัดการกันเองเพราะสมบัติมีในที่นี้แต่ทรัพย์สมบัติอันนั้นเป็นของใครเป็นส่วนกลางๆแล้วก็อาจจะมาลงคมเห็นว่าทําอย่างนั้นเถอะก็เห็นด้วยกันแม้กระทั่งถ้วยจานกินแล้วก็ให้หนีเดินได้สบายพระเนรเก็บไปให้เจ้าของคนที่มาเลี้ยงเอาไปได้สบาย ทำไมไม่เห็นใจด้วยบ้างหรือเปล่าคิดให้บันดีแต่ละวันละวันคิดเป็นเงินกี่สตางค์ไม่ต้องคิดถึงถ้าเนนที่นี่พร้อมใจกันเพื่อจะสนับสนุนให้พวกเราทุกท่านได้จเจริญสติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รู้สภาพภาวะของจิตใจของเราจริงๆคนที่มาใหม่วันนี้ฟัง ต้องพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงช้าๆให้รู้ตัวเองให้รู้ลูก ร, รู้น้ำลูกอยู่ที่ไหนน้ำอยู่ที่ไหนเราจะรู้เองอย่าไปสนใจถามคนถามจนตายและไม่รู้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเพราะจิตใจบันมืดบอดจิตใจมันไม่สว่างเรียวบัวใต้น้ําถ้าเราโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วบไง มีคนพูดให้ฟังเราเคลื่อนว่าอตัวเรานี่เองเป็นลูกเป็นนามจะเข้าใจเองโดยไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเมื่อลูกจับลูกนามแล้วก็ต้องหลงนู่จักรูกทำนามทำทำมีอะไรบ้างการทําดีบ้างทำชั่วบ้างามือทาด้วยกายบ้างทําด้วยวาจาบ้างทําด้วยใจบ้างการทำมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครแหละเรื่องนี้ อาจจะมาไปปฏิบัติไม่ต้องถามใครอยู่ที่ไหนมีอาจารย์เอาไปถามเมื่อจบภากโต้เดี๋ยวต้งเกิดปัญญาไม่ใช่จบแค่นี้นะพักโต้นอาจจะมาพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วรู้จักรูกนก้นามรู้ทำนามทำรู้โลกนามโลกทุ ก, กขังอนิจจังอนัตตารู้ให้หมดทีเดียวแล้วก็รู้สมมุติแม้จะสมมุติอะไรก็รู้ให้หมด แล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้จริงจริงเนี่ยอาจารย์เรียกไปถามถามถนนัดโยมครับรู้อะไรบ้างรู้ตัวเองครับเนี่ยคนไม่รู้ตัวเองก็เหมือนกับคนตายนัยนะออกจริงครับผมเหมือนกับคนตายมาระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยตื่นแล้วดิครับจืนทําไมก็รู้ตัวเองเนี่ยครับออย่างนั้นห ท่านเลยถานเกลือเค็มไหมเอ๊ะเกลือไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเก็มหรือเอ๊ะทําไมก็เกลือไม่ไม่รู้ทําไมไม่เคยกินเกลือเคยกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้พราเกลือไม่ได้อยู่ในนี้มไม่รู้ครับเอ๊ะพุทธบ้าบ้าบอกบ้าจริงจิงบ้าผมกับบ้าท่านไม่เหมือนกันมันต้องไปอย่างนี้แล้วท่านก็ถามมักพิษเผ็ดไหมเอ๊ะมักพิษก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยกินสิเคยกินครับแต่มันไม่รู้เดี๋ยวนี้มันไม่ ดนันการถามคนอื่นนั่นยังข่มจบสิ้นไม่มีเพราะเราไม่รู้เนี่ยจะไปจบสิ้นได้ทําไมท่านก็เลยวกเข้ามาถามดําอะไรดําเนื้อดําไปได้ไม่มีอะไรเลยครับดําก็สุดกับดําแดงก็สุดกับแดงการแก้ปัญหาอันนี้เป็นเพียงแก้เอาอนหลอดข่มรู้สักนี้นี่เอาอนหลอดแต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างคือแก้ได้โดยไม่ไหวตี ไม่สูบบุหรี่ข่าวนั้นติดบุหรี่รู้จักทุกเกือน้ําลายเป็นทุกหายใจเป็นทุกรับประทานอาหารเนี่ยเที่ยวครับเป็นทุกรู้จักทุกจริงจริงรู้จักจริงๆเลิกในขณะนั้นจริงจริขาวนั้นติดบุหรี่อย่างหนักติดหนักคนสูบบุหรี่กายไปนี่ต้องสูก้ก่อนม่นที่มีแรงแต่บุหรี่มันก็มีแรงเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นเนี่ย ควงซัวลายมันฝังมานานแล้วนรืว่ากิเลสก็ได้หรือว่าคนโง้ ก, ก็ได้หรือว่าอันธาพานก็ได้หรือจะว่าอะไรได้ทั้งนั้นเราเคยได้ยินไหมอาเสบนาจะพารานังปั น, า น, า น, นปิต า, านั้นจะเสบนาภูซาจัปปูซานิงานังเอตมังคลมุตมังเป็นมงคลอันยิ่งท่านสอนคําว่าอาเสบนาจะพารานังเราไปพบคุณทานเราไม่พบคุณทาน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 ไม่ตัวคนทานสนนีคือลืมตัวนั่นแหละคือโมหะนั่นแหละโมหะเข้าความวุ่นวาใจบัณฑิตตานันจ่าเขรรณาภูซาจา่าปูสานิญาณั่งเราควรครบบัณฑิตบัณฑิตอยู่ที่ไหนผู้ท่านเรียนท่านศึกษาเราเรียนมาอย่างที่พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียเราจะเข้าไปเฝ้พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเราอยู่เมืองไทยไม่มีตะตังก็ไปไม่เถอง เมื่อไปถึงแล้วพูดภาษาก็ไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องให้เข้าใจบัณฑิตที่จะนำมาไล่ฟันคือตัวสติตัวสมาิตัวปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้อันนี้บัณฑิตแต่ไม่ตรงกับตำราพูดอย่างนั้นทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เนีะยตัวจริงแกนแท้แกนแท้ดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบที่ การเลินสติให้ติดต่อเนื่องเนี่ยมันค่อยๆมีอันดีและมีอันเลวร้ก่อนแต่เจออันเีเข้ามาอันเ็วร้ายก็แสลงขึ้นมาพอดีรู้เรื่องศาสนาจบบาปบุญจบรู้มันมีความรู้สนิดหนึ่งแฝงแฝ ง, งขึ้นมาข่าวนั้นระยะนั้นอะพอปานอย่างที่เราสันเท้าได้ระยะเดี๋ยวนี้สองโมง อาจจะมาเป็นโยมไปเทศให้เทวดาฟังพูดเป็นคนเดียวยนืนพูดเดินจมกมงไปข้างนั้นพูดให้เทวดาฟังเดินหันมาข้างนี้พูดให้ผีฟังไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดามันลืมมันลืมสมมติไปเลยเมื่อมาเข้าใสนสวรนี้ว่าลู่ข้าไม่ใคยลู่ออกลูกข้ามันเข้าไปในขมคิดแล้วแต่สติปัญญาไม่แหลงอาจจะมาเคยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับหนูกับแมว แมวตัวเล็กๆหนูตัวมันโตพอดีหนูโผล่ออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมาจับหนูหนูก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปเนื่อแล้วก็วางหนูเต่นเนี่ยเริ่มจะเห็นความิดมาแล้วเนี่ยเปรียบเทียบพอดีอย่าไปตำหนิแมวมึงทำไมไม่จุบอ่ะจับหนูให้มันแรงๆมัตัวเล็กมันจับแรงไม่ได้เราต้องให้อาหารแมวมากๆแม่มันกินข้าวมีอาหาร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 เมาแน่นน้อยพอซึมซปมนองนะเอาเถอะลงน้องหรืออ้าวหรือรอาใครก็ตามถ้าเมาเราจัดเลยก็เลิกเถอะไปนอนกูไม่เมาไม่เมาถ้าหากว่าสำนึกได้คนกำลังพูดกำลังคุยบ้าพูดบ้าคุ ย, คยนี่แหละคนปฏิบัติธรรมะบ้าพูดบ้าคุ ย, คยนี่แหละนะมันไม่รู้มันจึงพูดเช่นนั้น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 ได้อย่างไรกสติจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โทสะโมหะโลภะจะอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยกันไม่ได้พอดีเห็นความคิดมาเพราะมีสติอและสมาธิก็ไม่ใช่นั่งคืออย่างนั้นปัญญามันรู้อยู่เสมอคอยมามาก็ตก ละยะนี้แหละหนักจะเป็นเบาขึ้นมาให้คิดว่าเราทันทุกครั้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันคิดเวลาไหนรู้มันเคลื่อนเวลาไหนรู้พิกมือขึ้นเดินหน้าถอยหลังทําชา้าชารู้เมื่อมันสมบูรณ์แล้วดําจะกขาวขึ้นมาให้เห็นหนักจากเบาขึ้นให้เรารู้สกกก จะสะอาดขึ้นมนให้เรารู้พูดง่ายๆเลยว่าจะทำจิตใจที่เป็นปุถุสูตนั่นแหละให้เลิกละลึกจางไปเพราะความเป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นมาแทนแล้วอันนี้เสื้อบัวพ่นน้ำคอยรับแสงพระอาทิตย์เมื่อแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดอกไม้มันบานได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากฟังแล้วจดจานําไปปฏิบัติแล้วควมทุกจะลดน้อยไปงานปฏิบัติเช่นนี้มีเรื่องอะไรบ้างถามแต่ไม่ต้องถามคนอื่นถามคนอื่นอาจจะไม่มีปัญญาแก้หรือบางที่อาจจะไม่รู้ก็ได้หรือถึงจะรู้แล้วก็รู้กับเรื่องอื่นก็ได้ในเส้นระยะมาอยู่ที่สำนักยิงหัวในถามมันจะมาคนเดียวเรื่องจะแก้ปัญหา อาจารย์ไปสอบอารมณ์ไม่ต้องถามมีข้อปัญหามาถามอาตามาอาตามาเพียงเรียกมาไส่สอยเพื่ออาตามาอาตามาจะไปอย่างนั้นไม่ไหวเพียงมาพูดให้ตอนเท้าตอนเย็นอรู้สึกว่ามากเกินไปพ่อหมอบอกว่าอย่าพูดมากหลว ง, ง, งพ่อโรคมะเร็งหลวงพ่ออยากกับเลิบตายเร็วก็พูดแล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาเรื่องควาตาย เห็นหน้าตาดำๆด้วยองการกันหน้าสงสารหน้าอนาจัยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัติพูดด้วยผลข่าวนี้พูดเป็นผลเหตุมันคือให้เจริญสติจเจริญไปอย่างนั้นแหละรู้อาการเกิดดับเช่นเดียวกันผ้าโซดาบันมุคมจึงเป็นผลของผ้าโซดาบันที่กาลังดูจิตนี้เป็นมักทาลายความหลงผิดได้เป็นผล บัดเนตดูจิตเข้าไปทาลายความยึดมั่นถือมั่นดูจิตใจไปทําลายเป็นมักพอดีทําลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นผลพอดีดูความคิดไปสินปราขดขึ้นมาเป็นผลเป็นมักเพราะการดูจิตใจดูการเคลื่อนไหวเป็นผลแล้วก็ดูจิตใจเรื่องลงไปอีกรู้จักความสงบมีสองอย่างแงกทางกันที่ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นมั้งผลขึ้นมาคือเรารู้สิ่งนี้ไม่คล่องแหะนนี่ว่าหลุดพ้นแล้วต่อไปก็ไปเห็นจิตที่มันหลุดพ้นจริงๆมันหลุดพ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่หลุดพ้นอย่างที่อันไห น, นอันนี้มันหลุดพ้นจริงๆเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วมันจะเหมือนกับฟู่ไฟความลนะขาดลุงทีเดียวอาจารมาเคยเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเสือกในร่อนไปคู่ข้างนั้นข้างนี้ตัดตรงกลาง นี่เป็นผลของผ้าโสดาบันบุคคลจําไว้ใครยังไม่รู้ไปปลุกในตำราผ้าโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกเขาพูดอย่างนั้นตาําราแต่ว่าระยะไหนเป็นผ้าโสดาบันไม่รู้เพราะไม่รู้ในไปเรียนตำราดังนั้นคํารู้อันนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับตาราความรู้อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับถามบุคคล ความรู้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องเฉพาะการเจริญสติเท่านั้นเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นไปเท่านั้นหลุดพ้นแล้วตายไหม เ, ออเป็นธรรมดาเรื่องของตายจิตหลุดพ้นคือรู้จักภาวะของจิตใจที่จะตายนั่นแหละพูดให้ฟังตรงๆคือว่าคนเกิดมาร้อยปีพันปีแต่ไม่รู้จักอาการเกิดดับชีวิตบุคคล น, นั้นเป็นมหมท่านพูดไปอย่างนี้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 และบุคคลผู้บวชมาเพียงวันเดียวรู้ภาวะจิตใจหลุดพ้นและอาการเกิดดับดีกว่าบุคคลผู้บวชมาร้อยทันศาคือภาวะนี้คือภาวะจิตใจของความหลุดพ้นของพระโสดาบันจิตใจภาวะที่หลุดพ้นของพระสกกิทาคาพระอนาคานั้นมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นที่พูดให้ฟังมีท้งมักและผลที่พูดเสื่อมปนกันมาในวันนี้ เพื่อมาเตือนจิตสกิตใจของพวกเราอยากให้พวกเรานี่แหละช่วยกันฟื้นฟูหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปที่เคยพูดให้ฟังที่มันร้อนมันร้อนท่านเคยได้ยินว่าเพราะเราจับไฟบัด น, นี้มันตรงกันข้ามไม่ต้องจับไฟแต่เข้าไปอยู่ในกองไฟเพราะว่าท่าใจ กางกองไฟเนี่ยมันร้อนเพราะว่าเอาเหล็กเอาขางเอากัวเอาเอะไรไปวาวจ้าสูบเข้าร้อนเขา้าเยไฟฟ้าเขาเผาเขาร้อนเปื่อยเป็นน้ําน้ํามันเยน็นน้ํามันเยน็นแต่ว่าน้ําที่พูดเนี่ยมันเยน็นเมื่อมันละลายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็เยน็นมันก็สบายถ้าหากพวกเรามาที่นี่คนจังหวัดสงขาหาใหญ่ และคนทางภาคเหนือทางเสียงใหม่ลำปางคนกรุงเทพภาคอีสานทำให้เย็นเย็นอย่างนี้หลายจังหวัดบ้านเมืองของเราก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงกลมอนนก็จะค่อยตีวไปติวไปถ้าหากทุกจังหวัดทุกอำเภอและในจำนวนมากคนจำนวนสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยเย็นลงเพียงจากล้านคน เมืองไทยก็เหมือนกับดอกไม้แล้วสัตว์ทุกประเภทพูดอยางง่ายๆขอโทษเธอะแมงวันมันชอบตอมอุจจาระมันก็จะไปตอนดอกไม้เช่นเดียวกันเช่นแมงผูแมงเพึง่งหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยมันผสมกับสอนดอกไม้ที่ประเทศเขากำลังร้อนและอุเป็นไฟเขาก็จะมาศึกษาในเมืองไทยนวยเองอาจะมาเป็นคนไทยพูดภาษากลางไม่เป็น แรกไปอยู่กรุงเทพสี่วันบอพูดภาษาเมืองเลยในคนกรุงเทพฟังไม่รู้เรื่องนายมโนเป็นตำเป็นทหารเป็นคนโคลาสอำเภอบัวใหญ่ถ้าใครสงสัยคำพูดหลวงพ่อมาถามผมท่านพูดภาษากลางไม่เป็นบันทึกไว้บันทึกมาถามคุณมโนนานๆมาอ า, าจารย์สมทรงไปสอนกับผู้ว่าเมืองนนทไปสอนสี่ห้าวัน ก็พอพูดได้นานๆมาก็พูดอย่างนี้แหละเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพนานเคยไปพูดกับเพื่อนๆแล้วคนไม่มีความรู้อย่างอาตมาเนี่ยทำไมสามารถไปพูดในโรงพยาบาลได้พาอพูดควมจริงแล้วทำไมสามารถไปพูดในเรือนจำได้พูดคนาจริงสามารถไปพูดในมหาวิทยาลัยได้เพราะเรื่องอะไรคนนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกทาไมไปพูด คนเรียนหนังสือไม่เป็นเพราะเป็นพูดความจริงเพราะความจริงมันมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเรื่อยอย่างเมื่อเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไปฟาวไปพระพุทธเจ้าคือจิตใจที่ไม่เคยตกปกเกิดไม่เคยตกปกจิตใจสะอาดสว่างสงบเราพูดได้จิตใจสะอาดสว่างสงบพูดไ ด, อ ด, ด, ได้อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเพราะเป็นคนลืมตัว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 เพมันสามารถพูดชั่วทำชั่วเนี่ยคนคิดเนี่ยงัเป็นอย่างนั้นคนตายเราชั่วกันจับได้เอาไปจูดไปฝังได้กองอุจจาะเราช่วยกันจับไหมไม่อยากจับทุกคนไม่อยากจับอุจจาะเนี่ยเป็นแล้วทําไมไปจับบรรทาไมอุจจาะไปเหยียบบรรทาไมชอบดูของเม็นโทษเอะมือแล้วไปจับของเม็นล้างนี้แล้วเอามาดมทุกคนอยากเป็นอย่างนะะั้นธรรมะก็เป็นเช่น ดังนั้นจิตใจที่สกปรกมันเลวร้ายที่สุดมันเน่าเหม็นเปียกแตะอยู่ภายในดังนั้นเราจะทำยังไงจึงจะให้มันหลุดพ้นไปได้มีทางเดียวเท่านั้นคือทางเอภะเลยเคยพูดกันในหลักสูตรนักธรรมสั้นโทวิสุทธิเกเนี่ยเขาเคยพูดกันไว้ศีราะวิสุทธิจิตตาวิสุทธิโอ้เจ็ดอ ความบริสุทธิ์แท่งสิงคมบริสุทธิ์แห่งจิตคมบริสุทธิ์แทงมันมันพูดกันไปอย่างนั้นอันนั้นนะไม่เข้าใจในตัวหนังสือแต่ดีแล้วหนังสือความบริสุทธิ์จริงๆคือจิตใจทุกคนเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่แหละมันทำคมสว่างเต็มดวงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมฆเท่านั้นไปบงัง ชีวิตของเราจริงๆคนเช่นเดียวกันมันไม่เคยรู้ว่าทุกข์สุขอะไรมันเป็นชีวิตเฉยๆจิตใจของเราก็เหมือนกันสิ่งเดียวเท่านั้นคือเราหลงข่มโกรธเกิดขึ้นข่มโลภเกิดขึ้นข่มหลงเกิดขึ้นเหม็นเหม็นโกของอุจจระอีกด้วยซ้าไปเนี่ยเป็นอนยะ่างนั้นคนที่กําลังโกรธเนี่ยอม่อยากเข้าไปใกล้ไปไม่อยากเข้าไปใกลไ้ไม่ได้ดูขนาดสม เราเคยได้ยินไหมไอ้ตาเนี่ใจร้ายคือผีไอ้ตาเนี่ใจดีคือผ้าทำเราเคยดูเราไม่เคยรู้แต่พูดได้เรื่องนี้อาตมาเคยพูดบ่อยแลย้วออคนนั้นอ่ะใจร้ายคนนั้นใจดีไม่ต้องพูดตรองคุยแต่ในขณะที่ไม่พูดไม่คุยไม่กุย พ, พอดีไปเจออารมณ์เข้าแม้โกรธข่าวนึงอาตมาหนาอยู่ใกล้ๆกัน คนคนนี้เป็นญาติอาจจะมาบ้างแต่ไม่เคยพูดพมเพื่อกับคนเดินกายกันไปแกก็ไม่เคยถามอาจจะมาเป็นหลานไม่เคยถามถ้าไม่ถามทา่านทำไมไม่ถามช่วยแต่นึกว่าท่านจะไม่โกรธเป็นท่านไม่เคยเกิดโกรธลูกโกรธเมียไม่เคยโกรธใครแล้อยู่จากนั้นท่านเดินไปวันหนึ่งมีลูกชายลูกชายไถนาคันว่าไถยนาทางภาคกลางภาคใต้อาจจะไม่รู้ภาคอีสานอาจพอรู้ได้ไถนา มีควอยึกตัวหนึ่งท่านมีควอยึดโตควอยึดจนแม่ใหญ่หนำเต็มคอทีเดียวแต่ลูกชายคนนั้นซึ้งออกไปใหม่จะไถานาลองขึ้นไปท่างก็เฉยหยุดเที่ยงหนาเนี่ยเฉยไปลองมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้ขวายควรมันไม่รู้แต่ควยมันก็นไปอย่างนั้นแหละแต่มันก็นไปคนไถานาไม่เป็นไม่ไม่สลาดมันวควอยควยมันเดินไปเรื่อยไปเลย ร้องเออะโวยวายคนอยู่แถวนั้นก่อนบอท่านก็เลยใกล้ๆไลยเอาแหละเธอไม่ต้องไถ่แล้ะพอจะไถ่เองทันพูดอย่างนั้นแต่ท่านไม่โกรธเลยลูกชายไม่เหงาหวังโอขึ้นเดียวเดียมึงหนียากนากูวางร า, างกนวนกูมันยังมีตัวกูได้อันนี้แสดงว่าความโกรธนั่นอ่ะมันหายไม่ได้แต่ท่านมีมีหันตีมากอดทนได้มาก จะท่านก็เลยพูดกับลูกชายลูกชายกนหนึ่งเป็นอย่างนั้นหนักไปใครกันอันนี้แสดงว่าความโกรธมันไม่ยกเว้นใครจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามมันตกหน้าได้อย่างสบายสบายบวชมานานๆเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณมันก็ไม่เคยกลัวใครมันตกหน้าได้อย่างสบายเรียนหนังสือจบ ป, ปริญญาเอกมันก็ไม่เคยกลัวมันก็ตกหน้าได้อย่างสบายสบาย มันตัวใครมันกลัวลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันกลัวใครแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายังโตรแสดงว่าคนนั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของพระพุทเจ้าแล้วแสดงว่าความโกรธนั้นมาจากคารเข้ามาค่อยกราบค่อยไหว้เข้ามามันอย่ามาขอเป็นลูกศิษย์อย่างนี้นดังนั้น วันนี้อยากให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆคนที่มาใหม่แล้วก็ไปรายงานคุณอะไรครับ น, นลินคุณนลินคนได้จะกลับต้องให้พูดบอกว่าผมจะกลับพูดให้คุณนลินฟังเพราะคุณนลินเป็นนายทะเบียนจดซื้อคนเข้ามาที่นี่ ออกไปจดซื้อไวเพื่อจะได้แต่รายงานกับผู้ที่ทาครัวเพราะการทำครัวต้องจ่ายต่างเป็นรายวันเพราะเขาจะได้ทำงานมาให้ถูกต้องกับบุคคลที่อยู่ที่นี่ที่รายงานนี่เพื่อเตือนติดสะกิจใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเห็นว่าสมควรเท่านี้กอหยุดไปวันนี้ อย่างนั้นก็จะทำให้เราแยกเล n กๆแล n วก็จะอ t ่างไรแยกเล็กๆแล้วก็ถึงไม่ต้องเป็นอย่างที่มันเป็นเลยถึงถ้าเราเรียนรู้อะไรในส่วนตัวก็คนที่เล่นการเล่นการบินที่ไม่ได้รู้จักกันก็จะไม่รู้จักกันถ้าคนกลางคนเ เหมือนกันเร้างทำงานแบบนี้เราจะพูดสนอะไรแงจริงเมื่อไก็บบดูังไงม่นยยังไงจริงยังงแต่จะทำงานบังสูงทำงานยังสูงทำงานเสื้อผาแต่แล้วสอันกต่ีแล้วจะทำแทนพระพินศทำแล้วทำงานแบงสูงทำงานไงทเสื่อผู้ตงไปจัาหัวแบบทํานงสูงทำงานเสือตัว ทำงานเพื่อคนอื่นเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมรดกสาก o เพื่อทำงานเพื่อจิตใจถ้าจิตใจเป็นดุเคนแต่ละคน e ำงานอย่างสูงยึดอยู่ที่เนี่ยยึดอะไรเป็นกลุ่มใ d ้ได้บางทีอาจจะมีคนเนี่ยพกพาและติดอยู่ในนั้นแหละสูงสุดหา่วด้วยเงินท r งไม่ได้ t h เอาช่วยคนด้วเรียนมาจากตำราไม่ได้ว่าทำงานอย่างสูง อนนี้เลาแต่อย่ง่นันอย่างสงทงานอย่างั้ม่ต้องพูดคนจะไม่หายคนจะไม่เรื่มใส่คนจะไม่ติดค่าถ้าเขาทำงานฟูงๆได้คนจะรวยเพราั้นเลยอยู่อย่างนิ่อย่างสงแต่ทนอยางตั้พูดเอาใจคนก็จะไสรเส รายงานเสียตลอะไรเียเพื่อลั่งนรายนเสียเพกตัวพลักพไม่ได้จรงนะอันนี้ผู้ทีใช้กับผู้อยสาไรก็ตามมาจะมาผู้ท่โคลนตมาพูดจะมาไม่เปลนแปลงั been, h, sí ู ja ้คควรไม่ได้คำพดไม่ควรไม่ได้ควรไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างวันนี้เพราะวันนี้ได้ลงคุณจาจะอยูเยี่ยมคนที่ไหนที่นี่เน้นที่นี่เพื่อให้ รู ais, ys, ้ปัจจัยได้มาทัจจัยหนึ่งแล้วเพื่อจะมาทำอะไรครับกำลังแรงเกินไป